ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องที่พึ่งของตนและคนทั้งโลกโดยพ่อท่านโพธิรักษ์จึงได้สแสดงไว้เมื่อวันที่5พฤษภาคม2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดนี้ค่ะ ทีนี้คำว่าพรมลิขิตหรือคำว่าดวงหรือคำว่าพระเจ้าประดานให้นี่นะมันเป็นของเราเองที่จริงอ่ะเราจะมีมาบุญบา ร, รมีเดิมมาหรือว่าเราจะไม่มีมาในปัจจุบันนี่เราก็มาทําเสริมทําเติมทําให้ตนเองก็ตามมันก็เป็นกรรมนะกรรมเก่าที่ทําไว้แล้วเป็นบุญบา ร, รมีเดิมเป็นวิบากกับกรรมใหม่ที่เราก็พยายามทําก็ได้ด้วยกรรมทั้งนั้นที่จริงจะได้ก็ได้ด้วยกรรม จะไม่ได้ก็เพราะกรรมเพราะเรายังทำไม่ได้หรือว่ามันยังไม่มีองค์ประกอบเพียงพอในกรรมที่เราได้กระทามันก็ไม่ได้ผู้ที่มีบา ร, รมีมาแล้วได้สั่งสมวิบากมาแล้วมันมีฤทธิ์มีเดชในตัวเองเป็นกุศลกรรมเป็นสิ่งที่ตนเองจะได้จะมีมาเองตามฐานะของแต่ละบุคคล ศาสนาพุทธเราไม่มีพระเจ้าบรรดาลเราไม่มีดวงเราไม่มีพรหมลิขิตตามเขาหมายว่าพรหมมันไม่คิดให้เราที่จริงดวงเนี่ยยังฟังดีนะเออแล้วแต่ดวงก็คือหมายความแล้วแต่ผู้ใดมีกรรมอย่างไรผู้ใดมีกรรมอย่างไรมีบารมีน้อยมีบารมีมากก็เท่าที่ผู้นั้นมีจริงจะได้หรือไม่ได้มันก็ตามดวงของเขาที่เขามีบุญบารมีอยู่ ดวงนี่ฟังได้เป็นเป็นภาษาของพุทธแต่พรหมบริคต์บอกแล้วแต่พรหมจะบันดาลแล้วแต่พรหมจะริคต์แล้วแต่พระเจ้าจะบันดาลอันนั้นเป็นเทวนิยมเลยทีเดียวเป็นเทวนิยมเลยหรือพระเจ้าบันดาลพระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้เป็นเลยนั่นแหะเป็นเป็นเป็นลักษณะของเทวนิยมเลยส่วนคําว่าดวงเนี่ยยังเป็นพุทธพุทธ มีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนตนเองมีมรดกของกรรมกรรมเราก็ทำกระสังสมเราจะได้เพราะงั้นผู้ใดมีมากมันก็เหมือนอะไรบรรดาลมันจะต้องได้มันจะต้องได้มันจะต้องเป็นต้องมีถึงเวลาถึงครั้งถึงคราวไม่ต้องไปเทีเดอ่อนวอนร้องขอมันก็มี ไม่ต้องไปขอให้พระเจ้าไม่ต้องไปขอให้พระพรหมมริคิดให้เราเป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้เราก็ทําไปภากเพียนไปถ้าเรามีองค์ประกอบนั้นๆเราอยากเป็นนายกเป็นต้นถ้าเราเองเราก็มีบุญมีบา ร, รมีถึงได้เราเองเราก็ได้กระทําช่วยด้วยอย่างแท้จริงเราก็ได้เป็นนายกเราจะเป็นเศรษฐีเรามีบุญก็เราจะเป็นเศรษฐีแม้จะเกิดมายากจนเลยนะ แต่ว่าเราก็มีดวงของเราหรือว่าเราก็มีบุญของเรามีบรารมีของเราแล้วเราก็กระทาด้วยมันก็ต้องได้เท่าใดก็เท่านั้นถ้าจะไม่ได้เป็นเศรษฐีให้ภาคเพียนภาคเพียนขนาดไหนนะมันก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีมันก็ได้ได้ใหม่นี่แหละได้เท่าที่คุณจะภาคเพียนบุญใหม่ดวง ค, คุณเก่าไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกแต่คุณก็ทําได้ทําได้ให้มันได้ให้มันเป็นบุญที่สั่งสมไปยิ่งทําจะเป็นเศรษฐีนี่ อยากเป็นเศรษฐีนะก็ยิ่งให้ทีฟังออกไหมเป็นเศรษฐียิ่งให้ยิ่งให้ก็ยิ่งจะมาทีนี้เศรษฐีของโลกรกเขาจะคิดโกงเศรษฐีของโลกโลกเขาจะคิดโกงก็โลภสะสมก่อโกยเอาเปรียบเอารัดหาวิธีเล่เหลียววิธีการาก็ก่อโกยมาเาก็ได้มากๆๆๆๆ เราเรียกอันนั้นว่าเศรษฐีคือเป็นผู้ได้มีมากวิธีโกงวิธีโกงก็มีมีบุญเหมือนกันบางทีโกงบางทีโกงแล้วนั่นเขาก็มีความฉลาดเท่าที่เขาจะมีนะคนราในแม้แต่ความฉลาดก็เป็นวิบากกรรมเหมือนกันฉลาดโกงแล้วก็คนจะช่วยจะเหลือมีบริวารหรือมีผู้ช่วยช่วยกันโกงมันก็เป็นบุญบารมีหรือว่าเป็นบาปที่จึงช่วยกันทําบาป อย่างที่จะไปช่วยกันโกงนี่เรียกว่าช่วยกันทําบาปเขาก็มีเหมือนกันมันร่วมกันทําบาปมันก็มีอย่างพวกกองโจร พ, พวกอะไรโจรพวกอะไรทั้งหมู่ที่จะช่วยกันทําชั่วทําอะไรมันก็เป็นลักษณะจริงเสร็จแล้วเขาก็นึกว่าเขานี่นได้ทําสมใจด้วยความเข้าใจผิดเข้าใจอย่างคนลกโล ก, โลกเป็นการมสุขเป็นสิ่งที่สะสมให้แก่ตัวเองอย่างโลกโลกจริงๆ แล้วเขาก็ทําเขาไม่ได้สั่งสมบุญเขาจะได้ชาตินี้แต่เขาจะต้องไปเป็นคนจนจะต้องไปชําใช้นี่เขาอีกไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติและเศรษฐีอย่างนั้นตึ้นตื้ น, นสั้นๆแค่โกงชาติเดียวแล้วก็ไปใช้นี่กันอีกร้อยชาติพันชาติ น, น, นั่นคือความไม่ใช่เศรษฐีจริงถ้าเศรษฐีจริงแล้ว เมื่อเราสั่งสมเป็นบุญเนี่นะเราไม่ต้องทำอะไรมากมันก็ได้เกิดมาแทนที่จะเกิดมาต้องไปใช้หนี้เกิดมาก็รับเลยคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาเลยเพราะเราให้ไว้แล้วชาตินี้ก็ให้ไว้ชาติตก่อนก็ให้ไว้สะสมไว้คุณจะคาบช้อนทองช้อนคันโตช้อนระดับชออ้อนกาแฟช้อนโตไม่รู้ว่าทองคาบช้อนทองขนาดไหนขึ้นมาหรือทัพี็แล้วแต่คาบทัพีทองมาเลย มันก็เรื่องของบุญของคุณแต่ละขนาดบารมีของคุณแต่ละขนาดดังนั้นในเศรษฐีจริงเกิดมาพรา้อมและภาคคุณเกิดมาเป็นเศรษฐีอย่างนั้นจริงนั้นแสดงถึงบุญของคุณจริงเป็นของจริงไปโกงเขามาชาตินี้ภาคเพียนแล้วก็ไม่โกงภาคเพียนแล้วก็เสียสละภาคเพียนแล้วก็เสียสละนั่นเป็นบุญแท้เป็นเศรษฐีแท้ทีนี้พอคุณเกิดมาชาติหนึ่งชาติใดคุณจะสมแล้วเกิดมาคราบช่น้นเงินช่อนทองออกมาในระดับนั้นเสร็จคุณก็ยิ่งมาแจกอีก บนขอคุณก็ยิ่งจะมากอีกเจ่นขาบตอนนี้ขาบช้อนทองมาขนาดช้อนกาแฟคุณมีแล้วใช่ไหมเกิดมาพร้อมเป็นเศรษฐีมันไม่ทันทีก็ได้เกิดมามันจะมีทันทีก็กได้ไม่ใช่ได้รับทันทีเกิดมาแล้วก็มาทํานั่นทํานี่อะไรแต่ใดไปตามอายุไขตามวันเวลาตามความอุตสาหาะไปได้คุณก็ได้มาคืนอย่างนั้นก็ได้โดยสุจริตโดยคุณงามความดีแท้แท้ในะโดยกุศลไม่ใช่ไปทำทุจริตไปทําอะไร ทำสุจริญนี่ทำดีๆมันก็ได้มีมาเสร็จแล้วคุณก็ให้ต่อไปอีกเสียสละแจกจ่ายเจือจานบริจาคไปอีกคุณก็ต้องจนอีกโดยรูปของโลกนะโดยความเป็นคนโลกโลกเัไม่ใช่โดยความเป็นคนโดยคนเป็นความเป็นธรรมะแต่โดยรูปของโลกโดยตาของโลกมองว่าเราจนเพราะเราแจกเราจนเพราะเราให้เราจนเพราะเราไม่ได้สะสมวัตถุ แต่คุณมีบุญเป็นกรรมทายาโทมีบุญเป็นกรรมสกมิหิมีบุญเพราะเป็นวิบากที่คุณได้ให้คุณได้สั่งสมบุญแล้วจะคุณโลภออกมาคุณยิ่งมีคุณก็ยิ่งแจกคุณยิ่งแจกคุณก็ยิ่งสั่งสมบุญเข้าไปอีกเกิดมาตอนต่อไปนี่ไม่ใช่ขาบช้อนทองเป็นช้อนกาแฟแล้วเป็นช้อนโต๊ะต่อไปเป็นทัพพี ทอนโตขึ้นคาบช้อนทองโตขึ้นคือมีกองมรดกลึกส่วนได้ของคุณจะมากขึ้นเองเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านก็มีพรักพร้อมทั้งนี้บุญบา ร, รมีที่เข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วพระก็ไม่เอาก็แม้ขนาดชาติสุดท้ายชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่เอาเลยนั่นเป็นเรื่องจริงคนยิ่งไม่เอาก็ยิ่งได้คนยิ่งใหย้ยิ่งแจกยิ่งมีเมตตาเกื้อกูลเป็นบุญที่แท้จริง ที่พูดนี่ไม่ใช่มาหลอกมาลวงไม่ใช่มามามาม า, มาทำอะไรให้พวกคุณเข้าใจผิดอะไรเป็นสัจจะที่มันซับซ้อนอยู่ในธรรมะคุณฟังด้วยเหตุผลฟังด้วยปัญญาที่ทําความเข้าใจดีๆใช่ปะ ม, มันสอดคล้องกับลักษณะที่สังคมถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างที่อาตมากําลังกลาง่าวว่าเป็นผู้ให้นะคือเศรษฐีเป็นผู้ติ่โลภโมโทสันกรอบโอยหอบพวงมาโดยปัญญาของคนโลกโลกเขา เข้าใจว่าเป็นคนรำ่ำรวยเป็นคนมีบุญกอบโกยไว้มากๆไม่ใช่คนมีบุญเสียสลับไปมากๆโดยความรู้ของเรานะแล้วก็เพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดหรือว่าผู้ที่รู้ได้เหตุได้ผลจริงๆรู้ได้ประวัติที่แท้จริงว่าเรานี่ที่จริงมีมากทาได้มากนะแต่เราก็ให้ไปมันก็ไม่เหลือทมันจะไป ม, มีอะไรเราก็เป็นคนมักน้อยสันโดษ ด, ด้วยเป็นคนที่ทำตามพระพุทธเจ้าสอนนี่แหละอ่า ทำตนให้เป็นพู้ที่ไม่เปลืองไม่พลานไม่ปลากินน้อยอยู่น้อยก็พอแข็งแรงสุขภาพดีไม่ต้องสาต้องสมต้องกรอบต้องโกลยอภิชชะสันติปวิเวกอาสังสักขขะไม่ต้องหลงสวรรค์หลงลว ง, ลงสวรรค์แบบเสพสมสุขสมอะไรลดละกิเลส จ, จริงๆเข้าใจสัจจะอย่างนี้และสั่งสมอย่างนี้จริงๆเลยดังมั่นใจไม่วิจิกิจฉาคุณเป็นคนที่ สังคมต้องการเป็นคนที่จะช่วยโลกช่วยสังคมทำไปยิ่งทำไปเหมือนพระพุทธเจากก้าเขาเป็นพระโลกกนาตตอนนั้นเป็นที่พึ่งของสังคมทุกวันนี้คนเราไม่ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนและไม่ทำตนให้เป็นที่พึ่งของสังคมมีแต่เป็นตัวผลานสังคมเป็นตัวที่ดูดสังคมเป็นตัวที่ทำรายให้สังคมขาดเขินยากจนแย่งชิงโหดร้าย อาตมาคิดว่าไม่ต้องใช้ปัญญาอันลึกลับลึกซึ้งอะไรฉลาดมากมายอะไรก็คงพอเข้าใจที่อาตมาอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่ายืนยันแล้วยืนยันเล่านี่ยถ้าผู้ใดยิ่งลดลดกิเลสลดกิเลสโลกียศกามมศุกต้องเสพสมลงไปได้จริงๆมีความสุขที่ระ ง, งับลงมา มีความสุขที่เป็นฌานพุทธลดกิเลสลงไปถาวรขึ้นทาวรขึ้นจริงๆคุณยิ่งจะเข้าใจได้ชัดว่าดีหรือไม่ดีบู ป, ปสมโภสุขเป็นยังไงรือว่าสุขที่มันเป็นนิพพานประมังสุขขัง <c oughs> ถ้าถึงขีบนิพพานมันมีมุดแท้ เน่ฆัมมะสมนัสเ่ฆัมมะสิตาแ้เ <c oughs> น่ฆัมมะสิตสมนัออกจากกิเลสหรือว่าให้กิเลสมันลดลงจางคลายลงไปในเหตุปัจจัยไหนก็แล้วแต่นะเหตุปัจจัยที่คุณเอ ง, เอ ง, เองติดอยู่แล้วคุณก็ลดละในเหตุปัจจัยนั้นลดละความเสพสมลดละสังขารความปรุง จิตที่เป็นหลงผิดว่าถ้าได้ปรุงได้เสรสมได้สัมผัสได้แต่ต้องได้มันสม อ, อยากสมใจอยากสมใครสมอยากสําเร็จความใคร่อย่างนั้นแล้วคุณได้ล้างกิเลส ท, ที่มันไม่ต้องสมอยากสมใครแล้วมันไม่ต้องอยากลดกิเลสในเหตุไหนปัจจัยไหนเรื่องไหนชิ้นไหนก็ตามใจเถอะคุณอ่านดูใจสิอ่านดูใจอ่านดูกิเลส ท, ที่มันลดจางคลายเรียกว่เาเนคขมะออกจากมาออกได้จริงๆโดยการปฏิบัติแบบพุทธเนี่ยจนกระทั่งมันไม่มีกิเลสแล้ว จริงเหตุปัจจัยที่มันไม่จําเป็นชัดๆสงบแล้วคุณจะรู้เองว่าเออเราไม่เห็นจะต้องตายแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาแต่ก่อนนี่อร่อยนะเสฟสุขติดยึดมันออรู้สึกชีวิตชีวาแต่ยิ่งไม่เป็นภารายยิ่งไม่มีกิเลสแล้วนี่มันว่างเปล่ามันสบายมันล่อนมันหลุดแล้วนี่มันเป็นความสุขนิดนิพพานเลยถ้าบอกคุณยิ่งล่อนยิ่งแน่ใจว่าคุณถอนอนุสัย ลางแม้แต่อสุวะอาสวะอนุใสถอนร้างเกลี้ยงเลยไม่มีวันไว้ไม่มีทุรีเริงไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสวรรค์ไม่มีสวรรค์ที่จะเสพเล็กๆน้อยๆกัสวรรค์เล็กสวรรค์ น, น้อยก็หายหมดเฉยชยจุดๆอุเบกขาอย่างที่คนบางคนเคยนึกว่าโอ้ถ้าจุดๆแล้วมันจะมีชีวิตจีวาอะไรมันหมดอร่อยหมดสุขแล้วมันจะมีชีวิตชีวาอะไรเรามนุษย์ ก็เหี่ยวแห้งจืดโรยไปเท่านั้นเองอสิอยู่กับโลกนี้คุณจะอยู่กับสิ่งนั้นหรือคุณจะเห็นสิ่งนั้นจะเห็นเขาสุขในสิ่งนั้นสิ่งไหนที่คุณได้ทิ้งมานั่นแหละยกตัอย่างง่ายๆแตอบายมุขในการพนันบ้างสิ่งเสพติดบางอย่างบ้างคุณก็เห็นเขาสุขคนก็สุขแล้วคุณก็จืดแล้วชืดแล้วอุเบกขาแล้ววางแล้วบริสุทธิ์แล้วถอนอนุสัยอสวรระแล้วเป็นปรมังสุขครั้ง เป็นนิพพานนิพพานทงปรมาหมสุขังสุข ala, mates, ังสุขอย่างปรินิพพ์สุขอย่างนิพพานยังไม่ใช่ปรินิพพานนะยังไม่ได้ตายยังมีขันธ์ห้าอยู่สุขอย่างนั้นเป็นผู้ที่รู้สุขนะเป็นผู้ที่มีขันธ์ห้าเป็นผู้ที่มีเวทนาเป็นผู้ที่รู้จักสุขเวทนาเป็นผู้ที่รู้ทุกขเวทนาแล้วสุขเวทนาถึงระดับอุเบกขาสมนัติเนคขมาสิตะอะไร เนคขมัสิตาสมนัติเขหัสิตะสมนัตแล้วก็ไปถึงอุเบขาสมนัติอ๋อเนคขมสิตาเหัสิตอุเบขาใช่ไหมเนคขมสิตาอุเบข า, อ า, อ เ, บาเออคือออกจากการมาจนทั้งถึ ง, ถงอความวางเฉยเนคขมสิตะอุเบขาสับกันเนาะภาษาอ่า มาจกนกระทั่งถึงจืดนะเราพูดถึงจืดแล้วอุเบกขาจืดเน่ฆมามาจกนกระทั่งเฉยจืดถึงฐานอุเบกขาแล้วจริงมันเป็นบุปสัมโมสุขเป็นปรามังสุขขังเป็นนิพพานตอนอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานแล้วคุณเองคุณเป็นยังไงล่ะเบิกบ้านาอะไเดไม่มีสวรรค์เลยตอนนี้สวรรค์ไม่มีแล้วจืดสวรรคามาสุขเนี่ยไม่มีละใช่ไหมไม่มีสวรรคามาสุขแล้ว คุยเคยมีตัวอย่างสักอย่างไมหมละ่ะตอในอบายมุขต่างๆแล้วมันเป็นไงเรามันอยู่กับเขานะ่อยอยู่กับสิ่งที่เคยเป็นรสอร่อยนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้อร่อยแล้วนะเดี๋ยวนี้เฉยๆอ่มันเป็นยังไงมันอยู่ไม่ได้โอ้ยมันว้าเวมันเหี่ยวแห้งมันไม่มีชีวิตชีวาเลยอย่างนั้นหรือเปล่านี่คนเดานะเดา เดาเอาว่าถ้าคืนไม่มีชีวิตชีวาจืดไปหมดเห็นอะไรก็จืดไปหมดนี่มันจะมีความสุขอะไรในชีวิตคุณจะรู้เองว่ามันเป็นบูปสมโมสรุ่มมันเป็นยังไงสุขอันพิเศษอย่างนี้สุขสว่างที่ไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องไปเสียหายไม่ต้องไปอะไรแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตอย่างที่ไม่มีสุขอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นงไงยิ่งหลายอย่าง คุณลดลดลงมาจนกระทั่งได้ฐานนิพานเนี่ยเป็นอุเบกขาเนี่เป็นเนคขมะออกจากสิ่งเหล่านั้นมาจนกระทั่งถึงอุเบกขามาเรื่อยเอยื่ยังได้หลายอย่างหลายชิ้นคุณก็จะรู้ชีวิตต่อไปอีกมากมากมากมากมากแล้วคุณจะชอบใจอุเบกขานี่ไหมจะชอบใจความสุขบูปสมโมสุขหรือสุขอย่างที่ที่พระพุทธิจาท่านบอกว่าสุขความเป็นสมณะในสุขเพราะมีฌานมีวิมุติ จะว่าแต่ชานในชาในเพ่งเผาชาในเพ่งเผาถ้าชานฤาษีก็เพ่งเผาด้วยการสะกดจิตเป็นตะทางคณิพานบ้างที่จึงเป็นวิคำพนานนิพานถ้าตะทางก็หมายความว่าเรียนรู้มีวิปัสนาช่วยถ้าวิคำพนาก็สมถะรูปเดียววิคำพนะกดข่มลดลงไปสะกดลงไปถ้าตะทางคณิพานก็ มีวิปัสนาช่วยและก็เป็นช่วงๆจะยาวจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เป็นช่วงในระยะของตทางอนิพพานของแต่ละบุคคลมากขึ้นปฏิปสติอนิพพาน <c oughs> มันก็มีมีสภาพที่ได้ทำให้มันสงบระ ง, งับได้ยาวได้ดีได้เจริญมากขึ้นมีคุณภาพของความสงบระ ง, งับได้มีทั้งคุณภาพของความสงบระ ง, งับ มีทั้งความยาวนานในระยะนิส ร, รณะนิสรณะนิพานเป็นนิพานที่ยิ่งทำได้ทำได้อย่างมีปฏิปัสษ์ที่ทำได้อย่างเร็วสัมผัสแต่ต้องก็ไม่ต้องไปฝืนมากไม่ต้องสลัดมากมันไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องพยายามเคร่งครวมหรือใช้ความพยายามที่จะต้องเอาออกมากมันง่ายมันเหมือนต้องมาถึงแต่มันก็หลุดเองมันก็สลัด มันยังไม่สนิทเนียนทีเดียวมันยังมีอะไรที่ป๊อปป๊อปอะไรก็เลือนเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ติดไม่ยืดไม่เยื้อไม่ยากไม่เย็นไม่ยืดไม่เยืะอไม่อยากไม่เย็นไม่ติดไม่ยืดได้แต่ก็ยังมีสภาพต้องทำให้มันบ้างมันดีขึ้นเร็วไว เจ้ากระทั่งถึงเด็ดขาดไม่ต้องไปมีต้องไม่ต้องทำเป็น อ, อ, อุสมุดเฉ ท, ทะสมุดเฉษสมุดเฉษธนิพานหรือสมุดเฉษธอวิมุดเด็ดขาดเมื่อคุณมีสภาพพวกนี้จริงๆเป็นสภาวะจริงๆอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยเราจะไปเอาธนิพานทีเดียวพรวดโดยที่เรียกว่า ไม่ได้เรียนรู้ไปตัวอย่างมีต้นแบบสักเรื่องสักเล็กสักน้อยอะไรแต่ใดอ่านสภาพนอกสกภาพในสัมผสัสแต่ต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลาบก็ดียศก็ดีสชิญเซร์นก็ดีขนาดนั้นขนาดนี้อะไรคุณไม่มีต้นแบบไม่มีเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรที่ทําได้ไปเป็นขั้นเป็นตอนหลายเรื่องไราสภาพสั่งสมไปอันไว้อันไว้แล้วก็จะไปพวดเดียวเป็นอรหรันมันทําไม่ได้รอมันก็ต้องสั่งสมไปเป็นขั้นตอนนั่นแหละและอย่างนี้ชัด ทำแล้วจะชัดคุณจะเอาหรือไม่เอามมโมบสโมสุขหรือว่าลักษณะที่สุขสุดเป็นลักษณะนิพพานอย่างเดียวก็ตามเหตุปัจจัยอย่างเดียวเป็นปรมังสุขขังถอนอนุใสอาสวะอย่างเดียวนี่คุณจะรู้ว่ารสธรรมรสที่เป็นวิมุตติรสอย่างนั้นธรรมรสก็มันมีธรรมะ ม, มากขึ้นมากขึ้นเจ้าก็ถึงทั้งถึงวิมุตติรสอย่างนั้นและชีวิตที่มีอยู่ในโลกก็บเขา ของรษสีไม่ทำงานจะนั่งหลับตาชาญไปเรื่อยๆไม่ค่อยเอาใจใส่การงานไม่รู้โลกไม่เอาโลกไม่มีโล ก, กวิทุมไม่มีสภาพปรโตโคโะอะไรไม่ค่อยรู้กับผู้อื่นมีแต่โลกแคบๆจะนั่งหลับตาหรือจะนั่งสะกดจิตหรือจะนั่งทรมานตนจะทาอะไรแต่อะไรก็คือหลบ หลบโลกนีโลกไม่รับรู้ไม่รับสัมผัสไม่รับเอาไม่เกี่ยวข้องห่างไกลได้ก็ห่างจะอยู่ใกล้แต่ก็หัดทนเอาตัดเอาในวิธีการไม่รับรู้ไม่รับรู้อยู่กับพบตัดพบแค่เ ข, ข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่รับรู้ไม่รับรู้เป็นเรื่องสะกดเป็นวิธีปิดกั้นไว้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆจะใช้วิธีนั่งสะกดจิตเอาก็ตามเรียกว่าเป็นฌานแบบรุสี หรือไม่สะกดจิตเอาก็เป็นฤาษีอย่างท่านสายธรรมุท ธ, ธาตนี่ยกตัวอย่างให้ฟังจิตว่างจิตว่างใช้คานานะแล้วก็ไม่รับรู้เพราะอะไรที่มากระทบสัมผัสรู้เขาแล้วอันนี้ไม่ไม่สมใจอันนี้รู้ตัวว่าอันนี้เราฝืนไปไม่ไม่ได้ก็เล่นวางปล่อยใช้ภาษาเขาว่าวางคือเลิกรับรู้เฉยเฉยไป น, นี่นะ แทนที่จะรับรู้ให้จริงเลยเกิดกิเลสรู้กิเลสอย่างพุทธเนี่ยสัมผัสแต่ต้องบอกแล้วว่าถ้าพมวมันแรงก็แบ่งชะลอหรือว่าลดลงจะใช้สมถะสะกดไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็รู้ครึ่งหนึ่งมันมีสภาพแล้วเราก็เรียนรู้สภาพอย่างจริงๆเลยแล้วก็เห็นได้เหตุพิจารณาด้วยวิปัสนาเข้าใจมันด้วยความรู้ที่แท้จริง <c oughs> มีจิตที่หน่ายคลาย เกิดปัญญาญาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเข้าใจด้วยปัญญาเลยว่าเออโลกีสุขก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่า ย, ยินดียินได้อะไรเลยเป็นเรื่องอันนี้จังเขาบอกว่าเอาพระไตรลักษ์เรียกพระไตรลักษ์นี่แต่จะต้องไปถกกับสีหนาภิกุนะสีหนาภิกุยใครมาเรียกพระไตรลักษ์เราไปยกย่องว่าเป็นของดีเนี่ ย, ยความเข้าใจผิดแล้วเพราะาสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์มันเป็นความไม่เที่ยง แต่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่น่ายึดถือด้วยเหตุผลซ่อนเชิงด้วยปยัญญาเออเราจะไปยึดถือความไม่เที่ยงมาทําไมไประยึ์ถือความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ไปยึดถือความไม่ใช่สิ่งที่จะยึดเอาได้เป็นที่พึ่งอันถาวรบอกแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเราลดกิเลสลงไปศูนย์แล้วอันเที่ยงความเที่ยงอย่างนั้นอย่างหางเราถาวรกว่าไอ้ความมีเนี่ยมันไม่เที่ยงไอ้ความไม่มีความศูนย์นี่ะศูนย์กิเลสศูนย์อะไรนี่แหละคงทนถาวรกว่า ความไม่มีนี่อยู่ได้นานความมีนี่ก็เสื่อมสลายไปทั้งได้ด้วยเหตุปัจจัยง่ายๆที่มีดีขโมยยังไม่ช่วยรักเลยความมีเนี่ยแต่ความไม่มีเนี่ขโมยก็ลักเอาอะไรไม่ได้แล้วเราก็เป็นผู้ที่สลัดออกไม่มีด้วยนี่มันจะอยู่ได้ง่ายอยู่ได้ถาวรยืนนานกว่าเที่ยงกว่าแท้กว่าด้วยได้ฟังลึกๆเข้าใจดีๆลึกๆเพราะผู้ที่เข้าใจทิศทางที่ดีอย่างนี้อยู่อย่างนี้ดีกว่า เมื่อเราเข้าใจในเหตุผลปัญญาพวกนี้ลึกซึ้งขึ้นมาอเอ้เราทำไมจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความเที่ยงโดยเฉพาะไปเอาอารมณ์โลกโลกโลกีมาไว้แล้วก็ต้องปรุงต้องแต่งแล้วต้องพยายามหา บ, าบำรุงเรอมันกิเลส ม, มันถึงจะอ้วนไม่ได้ก็จะต้องดิ้นรนจากเสพอยู่นั่นแหะก็ล้างกิเลนไปเลยไม่ต้องมาอยากเสพอีกแล้วก็อยู่อย่างไม่อยากเสพอกีอกอกเ็กเลิกไปเลยเที่ยงแท้ไม่ต้องหนักต้องอยากใครมาก็ขโมยเอาความไม่มีหรือศูนย์ไปแล้วอนัตตาสุญญาตาไปเนี่ย ขโมยเอาไปได้ยังไงไม่มีอะไรให้ขโมยจะมาเอาสิ่งที่ไม่มีไปได้ยังไงเอาด้วยเหตุผล โ, โลกหรือภาษาเหตุผลม า, ม, ามาพิจารณาให้ฟังก็ได้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนในความหมายพวกนี้คุณก็ลดละด้วยเหตุผลด้วยความรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเลยามาเกาะมายึดสิ่งที่พึ่งไม่ได้ย่างนี้อนัตตนี่แหละพึ่งอนัตตนี่แหละเป็นอัตตาภาษาปนแล้วนะตอนนี้ พิ่งอัตตาเนี่ยเป็นอัตตาคือตัวเราเนี่อัตตาคือตัวเราที่มีขันหานี่เป็นอรหัตโตอรหัตตานี่อรหันต์เนี่ยตัวเราเนี่แหละพึ่งสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยหให้มันได้ดูสิแต่ต้องเป็นคนนะต้องเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ช่วยเหลือมนุษย์อยู่มีบุญอยู่ตลอดเวลาได้เกือ้อกุลช่วยเหลือเฟื่อฟายเขาอยู่จริงๆแต่เราก็ไม่เอาอะไรจริงๆ จะอาศัยกินอาศัยใช้ก็เป็นสิ่งที่เรามีจนกระทั่งมาเป็นสมณะเนี่ยคุณไม่ต้องคุณจะไม่ต้องกินกินคําเทศไม่ได้คุณมาทํางานเทศคุณมาทํางานสร้างสรรในนนท์ในนืออะไรก็ทําให้คนอื่นไปทั้งนั้นน่ยอะไรที่มันขัดวินัยแล้วก็ระเป็นบ้างสังวรบ้างอะไรที่มันไม่ขัดวิ น, นัยเราก็สั่งกับสรรให้คนอื่นไปแล้วไม่ต้องกลัวคุณไม่ได้ปลูกข้าวท่านเอาถึงบอกว่าไม่ให้วุ่นวายถึงเรื่องเกษตรเพราะเกษตรนี่มันเป็นปัจจัยเสียที่ชัด ถ้าพระไปปลูกข้าวแล้วพระก็จะกินข้าวพระก็จะกินพืชกินผักพระก็จะไม่สอนผู้อื่นพระก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้พิสูจน์ความจรงิงพิสูจน์ความจ ร, งริงเพราะเราปลูกข้าวแล้วก็มีข้าวกินเราปลูกผักแล้วก็มีผักกินแล้วแล้วก็เป็นพึ่งตนที่ขับแคบเป็นการพึ่งตนเนีเาก็ตัวเองพึ่งตนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นมากนักมันไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีมนุษยสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณพระพุทธเจ้าถึงออก พนบอกว่าไม่ต้องปลูกผักไม่ต้องขุดดินไม่ต้องทําปัจจัยสี่โดยเฉพาะอาหารนี่มันก็คือสิ่งที่เป็นผักพืชเป็นอะไรนี่แหละไม่ต้องทําดูสิคุณทํางานอื่นช่วยเหลือคนอื่นเน่ยจะสร้างจะก่อจะทำํำนัน่นทํานี่อะไรก็ตามเถอะอไม่มีพีนายห้ามหรอกนะทำอย่างนี้มีประโยชน์คุณค่าอยู่เนี่ยคุณจะมีข้าวกินไม่จะมีอาหารไหมให้ให้ให้ก็นี้แหละ และคุณจะมีกินไหมยืนยันพิสูจน์ซิว่าคุณเนี่แหละอัตติอัตโนนาโถเนี่ยคุณเพิ่งอนัตตาเพิ่งความศูนย์ศูนย์ตาเพิ่งความไม่มีคุณไม่มีข้าวไม่มีอะไรแต่คุณไม่ได้กินข้าวคุณตายแน่ใช่ไหมไม่มีข้าวคุณตายเนี่ยเพิ่งความไม่มีนี่แหละแต่คุณมีข้าวกินแน่โดยบุญโดยกุศลโดยคุณค่าพิสูจน์สิทาตนเองให้เป็นคนไม่มีฟังชั้นนะ แล้วคือไม่มีข้าวไม่มีอาหารไม่มีพืชนี่แหละพระนวินัยที่ท่านออกไว้เนี่ยกันไว้ให้พิสูจน์อย่างสูงสุดเลยไม่ต้องไปสะสมสร้างข้าวเรามีความรู้เรามีความสามารถเราสร้างได้เองนะเพราะถ้าเพราะว่าไม่มีมวินัยข้อนี้ห้ามพระก็ปลูกผักปลูกพืชปลูกข้าวเองเสร็จแล้วไม่ได้พิสูจน์สูงสุดหรอกไม่ได้พิสูจน์อนัตตาไม่ได้พิสูจน์สุญญาตาเพราะที่หนึ่งในโลกคืออาหาร คือข้าวคือปักคือพืชที่หนึ่งในโลกเพราะพิสูจน์เลยไม่มีสิ่งที่โลกขาดไม่ได้มนุษย์ขาดไม่ได้ที่หนึ่งในโลกนี่แหละคืออาหารนี่แหละไม่มีตายไม่มีผ้านุ่งก็ไม่เป็นไรไม่ตายอรัแต่ไม่มีอาหารกินตายพิสูจน์สิ่งที่หนึ่งในโลกนี่สิล้วก็จะพิสูจน์สมณะให้พิสูจน์เลยไม่ต้องสะสมข้าวสะสมน้าไม่ต้องปลูกปลูกไม่ได้มีวินัยกันไว้ด้วย แต่แล้วคุณขยันกันแล้วกันขยันทําอื่นที่ไม่ได้ห้ามเลยวิ น, นัยผักเพียนไปขยันไปแล้วก็ให้ด้วยนะสูตรอีกเหมือนกันสร้างแล้วให้สร้างแล้วให้สร้างแล้วให้สร้างแล้วให้หมดโชวาจะอยู่ได้ไหมพิสูจน์มนุษย์สัมพันธ์พิสูจน์ความเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคุณยิ่งพิสูจน์ชัดเจนเลยคุณยิ่งทําให้บริสุทธิ์ใจเท่าไหรแ่แต่คุณสร้างสรรค์คุณก็ไม่เอาเป็นของของกูลเลย อนัตตาอนนีอนัตตยิปเป็นอัจ ต, ตาอัตตนิยาไม่มีไปเลยไม่มีตนไม่มีของของตนทุกอย่างเสียสละโดยบริสุทธิ์ใจออกไปไปลองดูสิในโลกกับมนุษย์ด้วยกันเนี่นะมนุษย์ไหนมันจะไม่เลี้ยงเราไว้คอยบักน้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่สร้างด้วยนะนอกจากบังน้อยแล้วก็ไม่สร้างไม่รู้โลกไม่มีความรู้ความสามารถไม่เคยันมันเพียนอะไรหรอกเป็นนั่งเฉยสงบอยู่ป่าชา า น, นาดสงบอย่างฤาษีอย่างนี้คนก็เลี้ยงไว้ได้ทั้งโลกแหละคนเข้าใจหมดทั้งโลกอหะชัดอย่างนี้ชัดนะอย่างฤาษีสงบอย่างฤาษีนี่สุขอย่างฤาษีท่านจะสุขหรือท่านจะทุกข์ของท่านไม่รู้ละ่ะแต่ท่านก็ต้องสุขของท่านแต่ต้องยินดีของท่านแน่คนยังเลี้ยงไว้เลยทีนี้ใจของเราพุทธที่มันซ้อนอีกเราไม่เอาเราคืนไปม แต่สิ่งที่เอาอะไรมาให้มาถวายเรามันเหลือมาได้แล้วเราก็สลัดขึ้นแจกจ่ายเปรียวจานไปบนเวียนกลับคืนไปเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ดีนอกจากเราไม่ทําลายแล้วเราก็รู้โลกด้วยรู้คนด้วยรู้ฐานะด้วยควรจะช่วยใครไม่ช่วยใครแล้วเราก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์มีความสามารถด้วยแนะนําจะสร้างนั้นทํานี้อะไรออะไดมีความรู้โลกมีวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ก็รู้ด้วยอะไรก็รู้ทั้งนั้นน่ะอักรษรศาสตร์ ปัชญาศาสตร์จิตศาสตร์อะไรรู้สอนแนะนำทำงานด้วยไม่ใช่ไปเอานั่งแต่ลบหลบับหลอยู่ที่หลีกหลีกๆหลีหนีอยู่เปล่าช่องไาชา้าป่าชัดที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็บริสุทธิ์ใจจริงๆนะใจใจของศาสนาพุทธนี่จิตมันไม่ไม่ติดไม่ยึดไม่ไม่เอาไม่ต้องมาสะสมแล้วก็สร้างให้ไปอีกคนคนนี้พิสูจน์อีกสิคนเรามันไม่มันไม่ มันไม่เข้าใจซ้อนตรงที่ว่าเอ๊ะคนที่มันยังอยากสร้างอยากสรรนี่มันก็ยังอยากได้เป็นของตนนะซิคนมันไม่เชื่อตรงนี้แต่ถ้าเขายังอยากได้แล้วเขาก็ทำเอาเขาไม่เอาเปรียบอรัฐคนอื่นเขาก็ทำเอาของเขาเนี่ยมันไม่ดีกว่าที่อยู่เฉยๆมีแต่คนเอาไปให้คนคนั้นเป็นหนี้นะมีแต่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่แต่คนเอาไปให้มันก็เป็นหนี้อยู่ในตัว แต่นี่เขาก็สร้างสร้างเหลือที่เขากินเขาใช้เดี๋ยมากน้อยสันโดษเหมือนกันไม่ได้สะสมอะไรนัน่มากน้อยสันโดษเหมือนกันแล้วก็ให้โดยบริสุทธิ์ใจเนี่แล้วพาสร้างด้วยอันไดที่ไม่ผิดกินไหนเราก็สร้างกับสันทําด้วยถามคนโง่ที่สุดซึว่าคนไหนมันจะดีกว่ากันนะ่ะ น, นะนี่นั่นอ่ะพาก็ไม่นุ่งไนงะไม่เอาอะไรเหมือนกันเหมือนกันนะ่ะแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรนะ่ะวันวันกันคืนปล่อยเวลาผ่านไปไปหาหลุมฝังศพ แล้วก็ตายไปกันมันเป็นเบื่ออยู่นไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีประโยชน์อะไรอไม่มีคุณค่าไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้คิดอ่านที่จะช่วยหลือมนุษยชาติไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาโยนทิ้งสิ่งวิเศษคือมนุษย์มีสมองมีปัญญามีความรู้แต่มันมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวผีร้ายพระฉะนั้นศาสนาพุทธเจาะล้างเอาแต่เฉพาะกิเลสนี้ออกออกจนกระทั่งหมดความเห็นแก่ตัวอนัตตาสุญญตาไม่เหลือแต่มีความก็ยันมันเพียงสร้างสรรค์เข้าใจโลก เข้าใจอะไรอะไรที่ควรสร้างควรสรรตามฐานนระดับโดยอะไรควรสร้างก่อนสร้างหลังอะไรควรจะทําท อ, อนุโลมก่อนอันนี้นไม่อนุโลมพอสมบูรณ์แล้วอันนี้ไม่ไม่ต้องอนุโลมแล้วอันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้เอาอันนี้อันนี้สมบูรณ์กว่าเอาแต่ซ้อนเชิงมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งช่วยโลกช่วยสังคมได้อย่างถูกต้องเรศรษฐศาสตร์เข้าใจเศรษฐศาสตร์ของสังคมช่วยเศรษฐกิจของสังคมช่วยเหลือลไฟายมนุษยชาติที่มันสับสนมันมีแต่ตโลภโมโทสันอะไรที่ ใครเห็นว่าอันนี้ขาดแคลนก็เอาเป็นอุปสงค์รีบซัพพลายรีบอุปทานไม่ใช่อุปทานรีบทําซัพพลายิ่บสร้างขึ้นมาจนกระทั่งเฟอร์อีก เ, อเทโลโลใหม่อีกอะไรต่างต่างๆงานอย่างโลกเขาเป็นอยู่นี่นท่านรู้ก่อนท่านกระดักก่อนเลยบอกอันนี้พออันนี้อย่าไปเสริมอันนี้อย่าอันสร้างอันนี้อันนี้ น, นี่อะไรที่มีความสําคัญก่อนสําคัญหลังอะไรที่ควรวีรีบด่วนก่อนรีบด่วนหลังเข้าใจโลกเข้าใจเศรษฐศาสตร์เข้าใจเศรษฐกิจเข้าใจดีมานเข้าใจซัพพลาย เข้าใจอุปสงค์เข้าใจอุปทานเข้าใจว่ามนุษย์ชาติขาดแคลนอะไรไม่ขาดแคลนอะไรอะไรที่ควรจะทําเร่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นช่วยสังคมได้ดีกว่าอย่างมากมายมายสาความเข้าใจของอาตมาเข้าใจอย่างนี้แล้วเราเป็นคนเราพิสูจน์อย่างนี้ทีความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจของอาตมาอาตมาแน่ใจวันนี้เป็นความเข้าใจของพระพุทธเจ้า นี้เป็นความเห็นของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งสอนมนุษย์มาแต่มันต่างกันที่พระพุทธเจ้าสอนท่านตรัสสอนไม่ได้เหมือนยังอัตมาตเต็มที่หรอกเพราะยุคสมัยต่างกันยุคสมัยพระพุทธเจ้านั้นเป็นยุคสมัยที่คนนับถือฤาษีความเชื่อในจิตปัญญาณ น, นั้นแล้วก็คนผู้กลงๆไม่ฉลาดในสังคมไม่ฉลาดในโลกวิถีไม่ฉลาดใน ระบบของชีวิตมนุษย์เหมือนอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนในสังคมทุกสมัยตั้งสองพันกว่าปีนั้นมีความสามารถน้อยมีความรู้น้อยจะขยันก็ขยันแต่เรื่องง่ายๆเรื่องตื้นๆไม่ซับซ้อนเรื่องไม่ยากขยันก็ทำแต่เรื่องหยาบๆแต่ทำกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้แข่งขันกันมากระบบของชีวิตยังไม่เร็วทุกอย่างช้า แล้วก็อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องทําขึ้นมากกับพอกินพอใช้สมัยนี้พรองไปหมดต้องขยนันขันแข็งต้องแข่งกันเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจระบบของการงานระบบของความรู้หลากหลายมากมายกว่ากันพระพุทธเจ้าไม่ต้องเร่งอย่างฤาษีต้องเกรงใจเขาเพราะเขาฤาษีเป็นหลักและคนก็ไม่ฉลาดเท่าบอกแล้ว แล้วก็ไม่ต้องเร่งความขยันขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องพูดขนาดนี้ก็พอกินพอใช้ความอุดมสมบูรณ์ก็มีแต่ 2,500 กว่าปีวันนี้ไม่เหมือน 2,500 กว่าปีที่แล้วความเชื่อความฉลาดของคนไม่ต้องไปเข้าใจอย่างแค่ฤษีเนี่ยพูดกับพวกคุณเนี่ยไม่ต้องไปเข้าใจแล้วแม้แต่ตะวันตกเขาก็ไม่เข้าใจอย่างฤษีหรอกเขาเขายันมันเพี้ยนจริงๆนะพึ่งสิ่งที่ตัวเองสร้างตัวเองสรรใช่ไหม แต่ก่อนนี้เราพึ่งพระเจ้า rockets. พึ่งอะไรพวกนี้เป็นที่เขาสอนกันมาก่อนเนี่ยยังไม่เข้าใจอย่างที่พึ่งกร ร, รมยังไม่มีอย่างนี้พระเจ้าสอนกรรมแล้วมันถูกสอนกรรมพงศะวันตกเขาก็พึ่งตัวเองขยันมันเพี ย, เยนเลี้ยงช่วยตัวเองสร้างสรรค์เองเขาก็ทํามาชาตินายชาติไหนเขา ก, ก็ทําแม้แต่ญี่ปุ่นจะบอกว่าถือพุทธเละๆนึ่แต่เขา ก, ก็สอนอย่างมหายานสร้างสรรค์เหมือนกันขยันเพียนเกื้อกูลแบ่งแจกจ่ายเจิญจานกันเหมือนกันมหายานแต่ถ้ามาเทราวาทไปหาฤาษีอย่างนี้นะ ญี่ปุ่นก็จมบังดุยเหมือนกันจมญี่ปุ่นก็จมไม่ขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาถลาดขึ้นมาอย่างนี้แล้วสังคมทุกวันนี้ต้องขยันมันเพียนต้องพึ่งสิ่งที่เราเองทำไหนต้องพึ่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ลดความเชื่อพระเจ้าบรรดาลลงมาเยอะแล้วคณะศาสนาคริสต์เป็นศาสนาพระเจ้าเขายังบอกพระเจ้าตายแล้วบันดาลอ้อนวอนร้องขอมันเข้ามาหาสัจจะเข้ามหากรรมมันเข้ามหาเข้ามหากรรมมาทุกท ต้องขยนันมันเพียนต้องสร้างสรร์เพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์หรือว่ามาร์กคาร์มาร์าากทึงเอาลัที่ลุษีที่ไปเชื่อพระเจ้าบรรดาลเนี่ยมาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันพวกอะไรพวกทำลายสังคมพวกอะไรประกาฝากสังคมพวกไปทํางานพวะ ก, กาฝากสังคม เขาถึงเอามาทําลายแล้วก็ใช้เศรษฐศาสตร์ขยันมันเพียนสร้างสรรค์แบ่งแจกกันให้ดีโดยวิธีกําหนดการเขาไม่เข้าใจวิญญาณเขาไม่เข้าใจสัจจะของวิญญาณขาดมากเขาก็เลยเอาวัตถุนี้เราสร้างมาแล้วก็แบ่งกันใช้แบ่งกันกินคนจะโกงกันเขาคิดว่าจะต้องใช้มาตรการบังคับไม่ให้โกงกันให้สุจริตให้แจกแบ่งกันเฉลี่ยไปผู้ที่มีความสามารถน้อยก็ได้เกื้อกูลกันแจกจ่ายกันเพราะกองกลางนพยายามเฉลี่ยหาวิธีการ คนขยันมากหน่อยก็ให้มากหน่อยแต่คนที่ขี้เกียจมากๆก็ต้องให้เขาก็กลายเป็นการแบ่งวัตถุโดยไม่เข้าใจวิญญาณอย่างลึกซึ้งและเขาก็ไม่เชื่อว่ า, าศาสนาด้วยจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่จะมีม ด, ดิมีเดตมีอำนาจสูงส่งกว่านี้จึงเอามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบของคอมมอนิสต์เขาก็เข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องต้องทาใครไม่ทาไม่มีกินใครทาน้อยได้น้อยใครทามากได้มาก แต่เขาลืมไปว่าแล้วคนเป็นคนผู้ทำหน้าที่แบ่งละ่ะทําหน้าที่แบ่งเนี่ยมันอยู่ในมือเนี่ยมันโลภเอามากหรือเปล่าเป็นผู้บินหน้าที่แบ่งเนี่ยเป็นผู้มีอํานาจด้วยเป็นผู้ปกครองด้วยลำเอียงไหมเขาไม่เข้าใจกิเลสถ้าไม่ลําเอียงมันก็ดีแต่มันแน่ใจได้ยังไงว่าไม่ลําเอียงเป็นช่องเป็นโอกาส เพราะให้แต่ละคนเนี่ยเขามีจิตใจของเขาจริงๆเลยว่าเขาจะไม่ลำเบียงเขาจะเสียสละดเขารู้สัสจธรรมด้วยกรรมนี่จริงๆเลยยิ่งให้นี่แหละยิ่งเป็นเลิศเป็นยอดอย่างที่เรากําลังเข้าใจเรื่องพุทธเนี่ยพญาหลักที่ของโลกจะว่าเป็นการเมืองจะว่าเป็นเรื่องของสังคมมนุษยชาติมันก็เป็นเรื่องเดียวกันาศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกัน แต่เขาไม่จะเข้าใจถึงด้านจิตวิญญาณเขาเข้าใจแต่ด้านวัตถุเขาก็เลยไปทํางานทําการกันเขาก็เอาเรื่องวัตถุเป็นหลักวัดเป็นเครื่องตีราคาตีค่าอะไรไปอยู่ตลอดเวลาอาตมา ก, กําลังวิเคราะห์ให้เห็นว่ากามาสุขก็แย่งชิงกัน ม, มันเป็นฤวษีมากน้อยมันก็มีรูปที่เด่นชัดคนเห็นง่ายตื้นแต่ก็ดีในฐานหนึ่งเพราะงั้นความสุขอย่างลวษี ความสุขยังให้มีจิตเป็นฌานจะด้วยวิธีสะกดเดานี้พรากหางไม่เอาไว้ดืง้งง่ายเรียนง่ายวิธีนี้หนีลูกเดียวเพราะงันคนนิยมอย่างนี้อยู่นิยมเพราะว่ามันรู้ได้ตามฐานะตามภูมิปัญญาถ้ามาทําอย่างพูดมันซับซ้อนและมันต้องฝืนแล้วมันต้องทนมันล่อใจนะเราไม่เอาแต่มันก็อยู่ต่อหน้านี่แหละก็ต้องตัดกิเลสจริงๆจนกระทั่งอยู่เหนือมันโล ก, กุตรจิตบอกโอ้ยอย่าไปสะสมอย่าไปอะไรเลยชีวิตนี้ เราอาศัยมันไม่มากอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่มากหรอกถ้าเราลดละ ก, กิเลสแล้วก็ยิ่งเข้นชัดเจนแล้วแรงงานของเราก็ไม่ศูนย์ความสามารถก็ไม่ศูนย์สร้างสรรค์มีคุณค่าประโยชน์อยู่ในโลกนี่ตายก็ตายอย่างภาคภูมิเพราะไม่ใช่คนศูนย์เปล่ามันอย่างฤาษีที่ทาจารเรียกว่าโมคฆบุรุษเนี่ยมันศูนย์เปล่านะมันจะวีมุดอะไรก็วีมุติศูนย์เปล่าเกิดมาเป็นคนเหมือนท่อนดินท่อนหินไม่ได้กี่ท่าอะไรเลยสงบจริงไม่เอาของคนก็ได้จริง แต่มันไม่สร้างมันไม่สรนมันชักแหม่เสียดายสมองเสียดายสมรรถภาพมนุษย์ใช่ไหมเสียดายที่จะมันควรจะมีบุญกว่านี้มันซับซ้อนมากกันมันเจ๋งกันมากถ้าคุณเข้าใจเพวันที่เรากําลังสร้างสรร์เรากำลังพัฒนาเรากําลังเป็นคนเดินตามทางพุทธที่เราแน่ใจว่าอย่างนี้เป็นวิธีการคุณฟังในเหตุผลนี่เอาละอย่างกามสุข โลกิยะตรงๆใครอยากได้ก็สั่งสมเอาใครอยากได้ก็กอบโกยเอาใครอยากได้ก็แข่งขันแย่งชิงเอาไม่แจกไม่แบ่งใครก็เรื่องของคุณคุณไม่เอาละบุญไม่มีเสียสละเป็นทานเป็นกุศลวิบากอะไรมันไม่จริงอะไรคุณไม่เชื่อคุณก็กอบโกยสั่งสมเอาคุณว่าคุณสุจริตคุณจะสุจริตแค่ไหนคุณก็ทําเอาไม่เอาเปรียบอารัดใครแค่ไหนได้ก็เชิญสมมุติว่าเคหสิตะ ธรรมดาเนี่ยนะเกษมสิตาสมณัตสุขอย่างโลกๆ ก, ก็คือได้สมใจมาโดยเขาเองเขาแน่ใจว่าเขาไม่ทุจริตเขาสุจริตเขามีความสามารถราคาของสังคมเท่าไหร่เขาไม่โกงแต่ก็ฉลาดหาวิธีซับซ้อนว่าจะต้องตีราคาเมื่อไหร่นายธนาคารเนี่ยเป็นประธานก็เดี๋ยวเขประชุมกรรมการก็ขึ้นราคาเอ้ยเงินเดือนมันน้อยไปหน่อยแล้วประธานก็ควรจะเพิ่มเลยเช่อ่ล็อบบี้กันเอาไว้เดี๋ยวออกกําลังออกเสียงกันนะ เพิ่มพวกคุณก็จะได้เพิ่มไงเพิ่มตัวเบ่งตัวลดหลั่นลงมากรรมการชั้นรองประธานใหญ่รองประธานก็ได้ตอนไหนเพิ่มถ้าเพิ่มเงินเดือนประธานใหญ่ก็ไม่เพิ่มเงินเดือนรองประธานให้เขาได้ไงบอกรองประธานเป็นกรรมการก็บอกเออใช่กรรมการเวลาประชุมก็ยกมือขึ้นเงินเดือนกันเถนะมันเรื่องธรมธรมดาธรรมดาใช่ไหมเงินเดือนเท่านั้นก็ไม่พอแล้วก็คืนอีกอะไรอีกก็ทํากันไปสิวิธีการอย่างนี้จะบอกสุดจริต ก็แอบเอาเปรียบอยู่แล้วล้วไปกินธณะการยังไม่หมดเลยเธอมันน้อยสันโดษอย่างเราเรายังไม่หมดใจแต่มันก็ยังไม่พอเรามาันขึ้นกันไปจนกระทั่งมันต่างช่องว่างกันอย่างที่พูดแล้วเมื่อวานนี่รู้เมื่อวันก่อนเท่าว่าเอพันโดงเนะี่ยมันเท่าไหร่สมพันเดือนหนึ่งหรือหพันถึงไหอ่ะนีแลท่านทวโรนี้ไปไหนเราวันนี้ตาแปร์นะนี่ถามเมื่อวานนั่นแหละแล้วดูซิเรารประทานเงินเดือนห้าแสนนะ เงินที่เขาบกว่า uniform, เป็นเงินต้นรับเป็นเงินที่จะรับรองเป็นเงินโน้นเงินนี่เข้ากระเป๋าของตัวเองเหมือนกันนะเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่เขาตั้งภาษาใส่เข like ้าไปนั่นจีต่างหาดนะไอ้พาร์ลุงนี่ไม่มีเ si งินรับรองรับแรงอะไรก็ใครหรอกไม่มีไอ้พิเศษในนู่นนี่อะไรหรอกแต่ไอ้ระดับน้นมันมีอย่าว่าจะเงินรับรองเงินนั่นเงินนี่มีเงินสารพัดที่เขามีวิธีการพริกแพงแล้วก็ตั้งคันหางเข้าไปจีตั้งเท่าไรเท่าไรเท่าไรเขาบอกว่าเขาสุจริตเอาเถอะสุดเจริตก็ช่างครัคุณจะได้ยังไงก็แล้วแต่ คุณร่ํารวยอย่างนั้นคุณมีกามาสุขอย่างนั้นใครจะเข้าใจอย่างนี้รู้บาสรู้บุญรู้การเสียสละรู้อะไร อ, อะไรก็ตามใจคุณก็ฟังด้วยปฏิพานคุณกับอีกคนในระดับหนึ่งกิน ค, ความสุขอย่างฤาษีไม่เอาวันละนี้ไปอย่างหลวงพ่อเกษมเข ม, เขม โ, กโกอย่างที่ว่าเนี่ยหรือจะเป็นฤาษีที่อยู่ในภูเขาหิมาพานานไหนก็ตามใจเถอะนัง่งหลับหูหลับตามไม่เอาละโลกนี้ใครมาศรัทธาเริ่มใสบอกแล้วไม่มีคนศรัทธาเริ่มใสแบบนี้มันง่าย มันเห็นว oh, so ่าเป็นคนมากน้อยสันโดดโอ้คนแบบนี้เนี่ยเป็นคนหมดกิเลสแล้วไม่อยากได้อะไรเลยนี่มันซื้อๆนีไม่อยากได้จริงๆแล้วท่านก็จะสะกดจิตท่านไม่ให้ไม่อยากได้จริงๆรจิตไม่อยากได้จริงๆรินชาตินี้ไม่เอาอะไรเลยแต่โดยวิธีสะกดแบบใดแล้วท่านใช้วิปัสสนาอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเผื่อว่าท่านมีความรู้อย่างนี้นะวิปัสสนาของท่านอย่างนี้พิจารณาว่าเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้อะไรเลยนี่ไม่แต่ไม่ทางานอะไรนะอย่างนี้ล่ะ ไม่ทำงานอะไรแล้วก็ไม่เอาเองี้ยมันชัดใช่ไหมสมม ต, ใมจจมมติให้ท่านหมดกิเลสจริงๆด้วยเอ้าสมมตินะให้ท่านหมดกิเลสจริงๆเลยจะกดขมหรือมีวิปสัสสนาอะไรก็ตามใจเถอดแล้วท่านก็ไม่ทำอะไรเป็นคนสงบสเห็นรูปประทัชัดเห็นรูปปรทัชัดว่าไม่สร้างสรรค์ไม่ทำงานไม่เอาอะไรไม่อยากไม่แสดงความอยากได้อะไรเลยจะทำให้หน้นิดก็ไม่ กินแล้วกันเช่ออยู่เออสงบดีนะต้องยินดีในความสงบอะไรอไรก็ไม่ใช่ของเราลอกอย่าไปเอาอะไรเลยเห็นไหมอาตมาก็ไม่เอาอะไรนี่เนือผ้านุ่งอยู่หยกยังไม่ใช่ผ้านุ่งแล้วบางคนก็เป็นฤาษีแท้กับแม้แต่ผ้าอาตมาเขาไม่นุ่งเลยไม่ต้องพูดลอกผ้าก็ไม่นุ่งเลยฤาษีแก่ผ้าจริงๆเขาก็มีจริงๆกินก็น้อยจริงๆด้วยตลอดไปงั้นจนกระทั่งตายไป สมมุติว่าให้ท่านล้างกิเลสถอนอนุสัยอาสวะเลยจริงๆด้วยก็ได้นี่คนที่สองคนนึงก็คนโลกโลกทำงานสร้างสารร์ได้เท่าไรเขาก็เอาเขาก็สุขของเขาอันนี้เขก็สุขอันนี้ก็เป็นเป็นสุฒิสโมสุขอย่างนึงเหมือนกันนะสงบจริงๆแล้วอาตมาสมมุติให้แล้วด้วยว่าเอาวิบตทเลยก็จริงๆก็ได้แต่พฤติกรรมของความเป็นมนุษย์นี่ม่ได้สร้างสารร์อะไรในโลกเลยอย่างนี้กับคนอย่างพุทธที่อาตมาอธิบายอีกอย่างหนึ่งเป็นความสุขที่เราได้อ่า สร้างสรร์นนะกิเลสของคุณก็หมดจริงๆด้วยอยู่เนื้อมันเลยนะไม่ไดม้มีมีอุปกิเลสซ้อนว่าทําดีก็ไม่ติดแม้แต่ดีสร้างสรร์ช่วยเหลือมนุษย์ชาติก็ไม่ลหลงไหลได้เพิ่มกาที่เราได้ช่วยเหลือเขากิเลสหมดสนิทจริงๆด้วยแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนฤาษีเหมือนสุขฤาษีเป็นสุขอย่างนิพพานเป็นสุขอย่างวิมุติอยู่เนื้อมันสร้างสรร์เข้าใจโลก พิสูจน์แม้กระทั่งว่าอาหารเราไม่ต้องสะสมนี่ยจะถือว่าเป็นทิศนีหลักของพระเจา้าวิธีการของพระพเจ้าเนี่ยลึกซึ้งมากอยวินัยเนี่ยคุณเข้าใจดีๆฟังดีๆนะว่าทําไมท่านไม่ให้ปลูกข้าวทําไมท่านไม่ให้ขุดดินมันปลูกพืชปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นทางมาแห่งการที่จะทําเกษตรก ร, เ, ร, กรเป็นเกษตรก ร, ร, กรถ้าพระเป็นกเกษตรกรได้โอ้อาหารเป็นที่หนึ่งในโลกในที่นี้แล้ ว, วมนุษย์ยุสัพัน์จะตื่นจะช่วยเหลือเ ฟ, ฟือฟายคนอื่นมันก็ไม่ได้เรามีกินแล้วมันก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากกัน สบายอาตมาถึงบอกว่าอาตมามีที่สักไายหนึงก็นั่งมาจิติกุดนี่วันนี้ก็ปลูกเปือกไปหวัวผงนี้ก็ปลูกหวัวบรื้นี่ก็ปลูกหวัวแล้วมันแตกมามีสักยี่กอเนีอ่อาตมาเวียนเก็บกินทีนี้ไม่ต้องปลูกมันอีกแล้วมันแตกของมันวันนี้ก็ไปแงะมาสักครึ่หงหัววันนี้ก็แม่งแงะมาครึ่หงหัวกินมันอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปทำอะไรกับใครก็ได้มันจะกลายเป็นสภาวะที่เห็นแก่ตัวซ้อนเชิงได้อีก หรือไม่ได้พิสูจน์อนัตตาอย่างที่อาตมาว่าไม่ได้พิสูจน์อนัตตาว่าเราไม่มีอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกแม้แต่าอาหารของเรงก็ไม่มีเราไม่ต้องทําเองถ้าเราทําเองมันต้องมีใช่ไหมเราขยันมันเพียรอื่นๆไปแทนขยันอื่นๆไปเลยไม่ต้องปลูกข้าวไม่ตูกอาหารที่เป็นหนึ่งเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยแล้วมีชีวิตอยู่งี้สิเป็นยังไงก็มีวิธีให้ที่จริงนะั่นในระดับจางนั้นแล้วไม่ต้องไปบินถบาศก็ได้กินแต่ท่านก็ให้ไปบินถบาศอีกเอื้ อ, อคนอื่นอีก เห็นแก่เขาบางที่พวกคนนี่มันมีอะไรอะไรอะไรกิจมากธุระมากอะไรนะประหุ ก, กิจจาประหุ ก, กรณิยาข้าพเจ้าเป็นขะหะเป็นคนชาวบ้านมีประหุ ก, กิจจาประหุ ก, กรณิยาขอลาไปทํางานก่อนนะอะไรนี่เขามีคําสวดนะคาสวดลาถขอข อ, ขอลาไปทํางานก่อนเพราะข้าพเจ้าเป็นครือัตอยู่ยังเป็นชาวบ้าน มีกิจมากมีธุระมากขอลาไปก่อนก็ไปทํางานเขาก็มีกิจมากมีธุระมากเออเราก็เอือเขาถือบาดไปเดินไม่ต้องขอหรอกเบิรนสงบสํารวมธใครเขรู้โอ้ยพระหลวงมีมากน้อยฉันโดดขยันบานเพียรสร้างสันอื่นท่านไม่ปลูกข้าวท่านั้นเอาข้าวให้ท่านหน่อยเถอะท่าไม่มีข้าวกินนะท่านไม่ได้ปลูกผักวินัยท่านไม่ได้อ้น่บอกผักหรอกท่าไม่มีผักท่านต้องกินอาหารเอาให้อาหารให้ท่านหน่อยเถอะเอาผักให้ท่านเถอะเอาข้าวให้ท่านบังเถอะ ท่านจะได้มีกินมีช้แล้วท่นานก็ยันนะท่านสร้างสรรค์แมีความรู้สงสัยเสดสาไปรเรียนกับท่านเถิงสารตาสายไปเรียนกับท่านเถอดสงสยัยแม้ท่าเกษาท่านก็อธิบายได้นะแต่ท่านปลูกไม่ได้ท่านท่านทานไปลงมือไม่ได้อ่ามหาับท่านญาหานดียวกับมห้รับมาด้วยคือจะเห็นได้ป ต, ต่อเนื่องไว้เยอะพระพุทธเจ้าต่อเนื่องไว้ ไม่ให้ปลูกไม่ให้ขุดไม่ให้พรากพืชไม่ให้รับธัญญาหาดิน ม, มาสะสมอะไรทั้งนั้นน่ะคือกันในเรื่องเกษตรศาสตร์ไว้ชัดเจนพระพุทธเจ้านี่การเกษตรศาสตร์ไว้ชัดเจนมากเลยได้เห็นพลรือนสูงสุดของพระเจ้าถึงเหนือชั้นยอดเป็นเลยแม้แต่อุปกรณิเลกก็ไม่เหลือเรียนรู้ล้างกิเลสแม้แต่อุเบกขาทีนี้เนคขมัสิตตะอุเบกขา ออกจากแม้แต่อุเบกขาก็จะเป็นลหลงไหลว่าเป็นฐานเป็นภูมิเป็นภพที่เราจะต้องอาศัยอยู่นิรันด์เหมือนพระเจ้าต่อให้พระเจ้าบริสุทธิ์สะอาดถึงขนาดนี้พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดถึงขนาดอุเบกขาแล้วก็เราจะไปอยู่กับความเป็นพระเจ้าสร้างสรรคเฉยไม่ฟูใจนะต่อให้พระเจ้าเนี่ยเรียนอย่างที่เรากำลังพูดของพุทธเนี่ยเราเรียนลึก เ, เ, เราเรียนละเอียดต่อให้อย่างเงี้ย ไม่ต้องฟูใจเลยโลดกิเลสแล้วก็อุเบกขาเป็นปริสุทธาประโยชน์ธาตามุทุกกรรมัญญาในตัวการงานกรร ม, มัญญาทําการงานอะไรก็ได้เรียบร้อยดีงามสละสลวยใจกับปริสุทธ์ปุจผ่องสะอาดอ ย, อย่างนั้นแหละประพัดซ้อ น, นไม่มีเลยแต่ไม่ได้ทิ้งอัตตาตัวนี้ไม่ได้ทิ้งอุเบกขาตัวนี้เราก็จะยังไปอยู่กับพระเจ้าจิตวิญญาณนี้เป็นวิญญาณอันเดียวกันกับพระเจ้าเป็นหนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า ยังอยู่อัตภาพวันนี้ยังอยู่สูงสุดขนาดนี้นะมันก็คือยังมีอัตภาพอุเบกขาต่อให้ไม่มีอุปกิเลสอะไรพวกที่ว่ายังฟูใจดีใจที่เรายังได้ช่วยเหลือเฟื่อฟ่ายคนอื่นเรายังมีคุณค่าเรายังมีประโยชน์เราก็สุขใจขนาดนั้นต่อให้ลดลงไปหมดเลยแล้วอุเบกขาพระพุทธเจ้ายังเต้องเนาอย่าไปติดจึดอุเบกขาเป็นเราเป็นของเรายังมีอัตภาพยังมีจิตวิญญาณหรือมีเจตสิกพวกนี้อยู่ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบของรูปนามขันห้าเท่านั้นเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารรวมแล้วเป็นวิญญาณเจตสิกสามรวมแล้วก็ปรุงแล้วก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งถ้าเราเหลือเราก็เหลืออัตภาพนั้นอุเบกขายังไม่ศูนย์มีนามมาทำถึงขนาดนี้ พระพุทธเจ้าถึงได้ให้พิจารณาแม่อุเบกขานี่เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถ้าาจะอยู่ต่อก็อยู่ต่ อ, อคุณจะเอาอุเบกขานี่คุณจะสั่งสมบูรณ์ไปจะเป็นโพนิสัตว์ที่จะเรียนรู้โลกกว้างขึ้นช่วยเหลือเฟื่องฟโลกได้ยิ่งขึ้นแต่คุณไม่เอาแล้วคุณเอาอรหันต์แล้วคุณอุเบกขาได้แล้วคุณก็ช่วยเหลือได้แค่นี้รู้โลกแค่นี้ช่วยคนได้แค่นี้ท่านนี้คุณก็ทําในบริสุทธิ์ใจเต็มใจเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์แล้วแม่อุเบกขานี่เราก็ไม่เอาอีกแล้วไม่ต่อเชื้อแล้วเราไม่่ออออยยยากกกกกกจะชวโโลโ ล, ลีีีไเรรรนู้ สุดท้ายคุก็วางแม้แต่อุเบกขาก็ไม่ติดพอปรินิพานสุดท้ายถึงวันสุดท้ายจะตายก็ปรินิพานปล่อยเลิกหมดฐานไหนก็ไม่มีภพไหนก็ไม่มีจะอยู่กับพระเจ้าก็ไม่อยู่อยู่กับใครก็ไม่มีทุกอย่างก็สลายแยกหมดเจตสิกอุเบกขาเจตสิกมันก็คือองค์ประกอบของรูปนามขันธ์ห้าถ้าเราไม่ต้องไปติดว่าจะต้องวางเอายินดีในความสุขอันที่เป็นอุเบกขานี้เฉยนี้ว่างนี้ ไม่มีแม้แต่นิพพานฐานนิพพานอุเบค า, นน า, านนเป็นฐานถ้าไ ม, ไม่ทิ้งฐานนี่มันก็เหลือฐานฐานฐานนะตัวอันนี้วางไม่ติดไม่เอาอะไรอีกแล้วปล่อยหมดศูนย์คุณหัดปล่อยมาจริงๆพระอรหันต์เจ้าก็ปล่อยคุณไม่ต่อก็จบได้เป็นพร ะ, พระอรหันต์ตายรูปนามขะาอุปบกานุปิเสสานิพพานฐานนี้ก็ไปเลยจลาไปศูนย์ไป ปรินิพานไปเลยแต่ถ้าจะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้ฝึกฝนสร้างบุญสั่งสมกรรมฝึกตนจนกระทั่งมีวิทยายุทธขนาดนี้นะแม้เกิดมาอีกทีนึงมาถูกโลกมอมเมากรก็จะมีเชื้อของโลกนี่เข้ามามอมเมอีกหน่อยต้องทุกครุกเข้าไปนเปนเไ ป, เปแต่อันนี้เป็นฐานรากที่แข็งแรงแล้วแข็งแรงมากก็ถูกลุกคลีน้อยถูกมอมเมาของโลกน้อย แข็งแรงน้อยโลกโลกรีก็เข้ามาเจือมากหน่อยแต่ฐานนี้แข็งแรงจนกระทั่งคุณสั่งสมไปอีกเนี่ยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็เป็นโพนิสัตที่ถูกโลคครอบงําเป็นลิงลมอมเข้าพองน้อยขึ้นทุกทีน้อยขึ้นทุกทีน้อยขึ้นทุกทีน้อยขึ้นทุกทีทกททกทสลัดได้ไวทุกทีซับซ้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณยังพอใจจะเรียนโล ก, กวิถีทูเรียนรู้โลกอันพิสดานันมากหลากหลายซับซ้อนเชิงโอและช่วยคนได้เยอะ คนในจริตอย่างของเราอย่างของผู้อื่นเราไม่เคยมีจริตอย่างนั้นก็มาศึกษาจริตแต่คุณมีหลักประกันแล้วมีหลักประกันรับรองแล้วคุณได้อรหัตผลขนาดระดับพระอรหันต์แล้วเป็นฐานรากนี่นะมันก็มั่นคงแข็งแรงมันยิ่งจะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมีอัตตาหรือมีอรหัตตาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นอรหัตตาที่มีอนัตตาเป็นสาระ ท่านสุพลโลชักมืนแล้ววะรู้เรื่องไหมมีเป็นอัตตาอารหัตตาเป็นพระอรหันที่มีอรหัตตาเนี่ยเป็นพระอรหันที่มีอนัตตาเป็นสาระฟังรู้เรื่องไหมภาษาอันนี้พวกเราเนี่ยทาไมมันพูดอย่างนี้ก็รู้เรื่องความจริงมีอย่างนี้บ้างไหมเป็นอรหัตตาเนี่ยเป็นอรหันอรหั ต, ห ต, ตผลอะไรสักเรื่องหนึ่งของคุณ และคุณก็มีอรหัตผลอันนี้เนี่ยแล้วมีอนัตตาอยู่ในนั้นเป็นสาระเพราะฉะนั้นคนเรามันมีทั้งอัตตาและอรัตตาตราที่เรายังมีขันห้าก็เป็นอัตตาสาระธรรมมันคือออนัตตาแล้วก็มีอนัตตาแล้วตัวอนัตตานี่แหละมันเที่ยงตัวอนัตตาเนี่ยมันเที่ยงมันแท้มันแข็งแรงมันไม่มีเลยมันแท้มันเที่ยงมันแข็งแรงเลยมันถาวรมันมั่นคงมันตั้งมั่นมันไม่หวั่นไหวนมันไม่มีไม่มีไม่มี เมื่อใดมันก็เวิกขาบริสุทธ์บริสุทธาปริโยธาตามุถุกัมมัญญาทําการงานขนาดไหนก็ได้อย่างดีอย่างสาระสวยแล้ครุกครีเกี่ยวข้องกระทบสัมผัสกับเพื่อนฝูงก็ไม่หวั่นไหวทําคนเดียวก็ยิ่งไม่หวั่นไหวใหญหลายคนมาช่วยเหลือเฟือไฟแล้วก็กระทบกันความเห็นต่างกันอะไรบ้างก็วางได้ปล่อยได้มีวิทยายุทธที่จะประสานเพื่อนบางคนวิทยายุทธไม่มีประสานเพื่อนไม่ได้เหลือได้ทำคนเดียวมมีคนช่วยเลย ฝีมือไม่ฝีมือการประสานเพื่อนไม่ดีถือตาบังรุนแรงบ้างเพื่อนโกรธไปก็เลยไม่ช่วยเองทําคนเดียวเะต่างคนต่างไปได้เงินเหมือนกันนี่หวา่าคนรับคนเดียวแต่นี่มีวิท ย, ทยายุทธ ด, ดีเพื่อนฝูงก็ช่วยงานอยู่เราก็ไม่ใช่ประหล่ะเขาด้วยพยายามให้เขาได้ประโยชน์ไม่ใช่ประหล่อให้เขามีอามิตรอะไรหรออะไรนักหนาหรอกแต่เขาก็ยังช่วยกันประสานได้ดี คุณก็มีความสามารถมีวิทยายุทธ์ดีมีหมู่มีกลุ่มนี่ก็ไว้วิเคราะห์สุขสามอย่างนี้ออกมาโดยพิสดารให้ฟังแล้วว่าคนสามชนิดนี้คุณจะเอาอย่างไหนจเจ้าอย่างที่หนึ่งก็ไม่ห้ามนะแต่เอาได้ภาคเพียรเอาสังสมความเชโกไปแต่ยากหน่อยนะโพธิรักไม่หนีจากสังคมจะขวางคุณนะอย่างมานั่งตีกินอนะ่ะแต่บัเชโกในนี้จะขวางคุณละจะสุกอย่างโลกียะ อย่าว่าได้ขวางคุณยังสุโขโลกียะเลยสุญัตหรือศีก็ยังจะเล่นคุณด้วยอยงนั้นเอาเลยแต่ทิ้งความเป็นคนไปโมคะนี่พระเจ้าท่านว่าฤาษีนี่โมคะด้วยแต่ท่านด่าไม่ถนัดปากท่านฝากอาตมามาด่าวันนี้ท่านด่าไม่ถนัดปากเราในยุค ข, ของท่านตาได้ที่ไหนแบบนั้นนฤาษีเต็มอินเดียเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเต็มอินเดียฤาษีแบบนี้ในเทราวาในเมืองไทยนี่ก็จะไปเอาตามมาหลงเลาะไปยัางฤาษีอินเดียอีก ก็เลยต้องถูกอาตมาด่าอยู่ในเมืองไทยนี่แหละอาตมาไม่ได้ถึงด่าหรอกว่าปรามให้รู้ว่ามันยังไม่ดีพร้อมนะมันยังไม่สมบูรณ์นะอาตมาเห็นว่าอันนี้สมบูรณ์กว่าอาตมาจะเอาอย่างนี้เอาอย่างโลกโลกก็มีแล้วสอย่างง่ายๆแบ่ง3อย่างยางพุทธนี่ซ้อนเชิงนึกซึ้งยากบอกแล้วว่ายากมากแต่อาตมาจะทําสิ่งที่ทําได้ยากก็ายาตมาทําด้วยกันมาเลยเวลาไปอีกห้าหกนาทีพอก่อนวันนี้ เดื